บทวีที่มาลายนะครับมิตรสนิทของหมู่เมฆ ร, ร่างของมหาบุรุษนอนนิ่งเยียดยาวดังหิมาลัยขุนเขาเย็นเยือก ด, ด้วยหินมะหยกงามรึกล้ำในเมืนยามันเงดสงัดมีเสียงกระก้องของสำนึกมาแล้วสู่โลกกระทำภารกิจด้วยใจสมัคร ยอิสระแม้ปติญญาณตนเสมอเพียงทาตแห่งพุท ธ, ธะชี่นำโชคสตาตนเพียงเป็นผู้ประกาศทมนอกทาเนียบดุจจังมาป่าเพนโถนร้องเรงในท้องทุ่งแห่งยานทัตไม่ปราถนาขึ้นทรงลาบยศมาเป็นอานและบังเหียนคิดอิสระเพื่อแผวฐานทางแห่งพุท ธ, ธะ อันรกชัดด้วยอยากย่ายแห่งกาลเวลาทดลองความจริงของชีวิตทวนกระแสะโลกบูชาธรรมอุทิศแด่พุท ธ, ธะพระผู้ทอดร่างเหนือพื้นดินแห่งกุศินครตํานานชีวิตของผู้ประพฤติตนประหลาดในหกทศวรรษที่แล้วมาประชาชนเล่าลือว่าเป็นพระบ้าวิกลจริตบัดนี้ นอนทอดร่างเหยียดยาวดังมาลายมินสนิทของหมู่เมฆเปิดเผยความจริงแท้งดงามลึกล้ำเกินพันนามาจากแหล่งใดไม่มีใครรู้จากลาไปหนไหนไม่มีใครทราบช่วงมีชีวิตยอยู่ต่อสู้ชูประเธศทำคำสอนของพุทธาสารศาสนวาของพวงศาสดา เผยแผ่ให้แลเห็นเป็นเอกภาพถูกศาสตร์โครนส่ร้ายป้ายสีอกุศลก็ไม่นำพาปีเดือนผ่านไปยังคงมั่นเป็นขุนเขาหนักแน่นเสมอแผ่นดินเอื้นฟ้าพุทธธรรมดังพยาย่ยวเริงลมบนร้องประกาศธรรมท้าทายภูมิบัญญาตราบถึงวันนี้วันที่ฝากความทรงจำไว้ในสายลม วันที่อายุขถึงการล่วงลับวันที่สังขารแตกดับยุบแยกแกทรกซึมสู่ที่มาวันแห่งการทอดร่างจู่อ้อมอกแม่ธรณีวันที่โลกสูญเสียมหาบุรุษพุทธทัดสิทธิเพียงฝากใจไปกับสายลมสุฮิมาลัยมิจฉิิตของหมู่เมฆอันยืนหยัดท้าทายอยู่ชั่วนิดนิรันดร